วันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมธรรมที่เราจะฟังกันในวันนี้คือเรื่องความหลง อะไรคือความหลงความหลงก็คือความไม่รู้ความจริงนั่นเอ ง, งรู้ผิดเป็นชอบรู้คงจากเป็นดอกบัวคือเป็นความรู้ที่กับตาลปัดตรงกันข้ามของความเป็นจริงเรนเห็น เห็นว I mean <hi> ่ากงจักเป็นดอกบัวเห็นว่าเห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าม <Okay. S 2> ีต er ัวตนนี่คือความหลง ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสร่งนั้นทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนนี่คือความเห็นที่ถูกต้องหรือความจริงส่วนความหลงก็คือเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของเทียมเป็นของที่ให้ความสุขและเป็นของตัวเราของเรา mm hmm. การเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงจึงเป็นเหตุ น, นำมาสู่การมีความทุกข์ต่างๆเพระเมื่อมีความ หลงแล้วก็จะมีความยึดติดมีความอยากให้สิ่งที่เรามีอยู่ให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆให้เป็นของเราไปเรื่อยๆแต่ความจริงมันจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นของที่เราอยากให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆ วันในวันหนึ่งเขาก็จากเราไปของที่ให้ความสุขกับเราวันหนึ่งพอเขาจากเราไปเขาก็จะให้ความทุกข์กับเราของที่เราอยากจะให้เป็นของเราพอเขาจากเราไปแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปพอเขาไม่ได้เป็นของเรา เราก็เลยเสียใจทุกข์ใจนี่คือผลจากการที่มีความหลงในจิตใจทำให้เราไปอยากได้ของต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นของที่ยง hmm. เป็นอะไรที่เราเป็นสิ่งที่เราอยากได้กัน ในโลนี้ก็เรียกว่าโลกธรรมทั้งสี่เราอยากได้ลาบยศสารเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะมาให้ความสุขกับเราเพราะเราเห็นว่าเวลาได้ลาบยศสารเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราจะมีความสุขกันอันนี้ก็เป็นของที่หลอกเรา ความสุขที่เราได้มันก็เป็นของชั่วคราวตามสภาพของของที่เราได้มาที่เป็นของชั่วคราว <c oughs> เช่นราบเสือทรั์สมบัติข้าวของเงินทอง <c oughs> เวลาเราได้มาเราก็ดีอกดีใจ <c oughs> เวลามันหมดไปมันก็ทำให้เราเสียใจ ยศคือตำแหน่งต่างๆเวลาเราได้ยศได้ตำแหน่งมาเราก็มีความสุขใจดีใจพอเวลาที่เราสูญเสียยศเสียตำแหน่งไปเราก็เศร้าโศกเสียใจเวลาที่มีใครสรรเสริญยกย่องเยืนยอเราเราก็ดีอกดีใจมีความสุขใจ เวลาที่ใครมาคลรหานินทาตำหนิตียนเราเราก็มีความทุกข์ใจเวลาที่เราได้เสียสัมผั์กับรูปเสียงกิ่นรสพุดผ้ที่เรารักที่เราชอบเราก็มีความสุขใจเวลาที่เราเสียรูปเสียงกิ่นรสพุะผ้ที่เรารักเราชอบไป มันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาดังนั้นความจริงของโลกกระทำทั้งสี่นั้นมันเป็นทุกข์มไม่ได้เป็นสุขที่แท้จริง ม, มันมีเป็นความุขที่อำพรางความทุกข์เอาไว้เป็นเหมือนนะน้ำตาลเคลือบยาขม น้ำตาลที่เขาเคลือบยาขมนี้เพื่อให้เรากินยาได้ง่ายเพราะถ้ากินยาแบบขมๆ ม, มันจะกลืนไม่ลงก็เลยต้องเคลือบน้ำตาลบางๆไว้เป็นผิวเคลือบยาขมเวลาเข้าปากเราจะได้แตะความหวานเราก็จะได้กลืนยาลงไปได้แต่ความจริงแล้ว ภายใต้ผิวบางๆของของน้ำตาลก็คือยาที่ขมที่กืนไม่ลงกินไม่ลงฉันใดความสุขในโลกนี้ที่เราหลงไหลกันนั้นมันก็เป็นเหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาขมหรือเป็นความสุขผิวบางๆที่เคลือบความทุกข์เอาไว้หลอกเรานั้นเอง พอเราเห็นความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภเราก็อยากได้กันแต่เราไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นความสุขแบบผิวเผินเป็นความสุขบางๆเป็นความสุขชั่วประดิประดาวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไป พอบรรจางหายไปมันก็เอาความสุขที่เราได้ไปกับมันด้วยครับแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความเศร้าใจความทุกข์ใจความเหงาความว้าเหวอันนี้แหละสาเหตุที่พวกเรามีความทุกข์ใจกันมีความว้าเหวมีความเศร้า มีความหวุดหย็ดก็เพราะเราสูญเสียความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปแต่เราก็ไม่รู้วิธีที่เราจะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อให้เราไม่เศร้าใจไม่ทุกข์ใจาะ เวลาที่เราสูญเสียราบยศสรรเสริญสุบไปจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็กลับไปหามาใหม่เพิ่มขึ้นอยู่พอเงินทองหมดไม่พอใช้ก็ต้องรีบไปหาเงินมาใหม่พอเสียตำแหน่งไปก็ต้องวิ่งเต้นหาตำแหน่งใหม่เช่นพวกที่เป็นนักการเมืองนักเลื่องตั้ง ทุกสี่ปีก็มีการเลือกตั้งเลือกเป็นสอสอจากสอสอเขาก็เลือกให้ไปเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกุกแต่พอสี่ปีผ่านไปยศตำแหน่งเหล่านี้ก็หมดไปแทนที่เขาจะเข็ดว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปแล้วก็จะรู้สึกเศร้าใจเสียใจ ก็ไม่ไม่เข็ดกลับไปหาใหม่กลับไปเลือกตั้งใหม่กลับไปสลับเลือกตั้งใหม่ก็อาจจะต้องเลือกจนกระทั่งไม่มีใครเลือกถึงจะยอมรับความจริงว่าไม่มีทางที่จะได้ยศได้ตำแหน่งเหล่านี้ต่อไปก็อาจจะยอมรับกับความจริงแล้วก็หยุดวิ่งเส้น เพื่อหายศหาตำแหน่งต่างๆเหล่ า, า, านี้ mm. แต่เวลาที่ไม่มียศไม่มีตำแหน่งความอยากมันก็ยังไม่หยุดมันก็ยังอยากมีอยู่เห็น mm. คนอื่นเขาได้ยศได้ตำแหน่งก็รู้สึกผิดฉาฤิยา mm. ไม่พอใจไม่มีความสุขใจ mm. ก็เป็นความทุกข์อย่าง mm. มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราไปยุ่งกับลาบยศสารเสริญสุข<ม>แต่ถ้าเราไม่ได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร<ม>เวลาเงินไม่พอใช้เราก็จะต้องไปหาเงินมาเพิ่ ม, มเวลาเราไม่มียศไม่มีตาแหน่งเราก็ต้องไปวิ่งเต้นหายศฐาตําแหน่ง เวลาใครมาตำหนิจีบเราไม่ยกย่องสรรเสริญเราเราก็ต้องพยายามหาอะไรที่จะทำให้คนเขามายกย่องสรรเสริญเวลาที่เราสูญเสียความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆไปเราก็ต้องพยายามไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ชนิดใหม่มาอยู่เรื่อยๆเช่นเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพอกลับมาบ้านมันความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปเราก็ต้องออกไปเที่ยวใหม่ออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปอยากจะได้ความสุขนั้นก็ต้องออกไปเที่ยวอยีก เราก็ต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เราจะไม่สามารถที่จะไปเที่ยวได้ที่เราจะไม่สามารถหาลาบยศเสริญได้<ม>เพราะร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เป็นของที่จะให้ความทุกข์กับเราเหมือนกัน เวลานังกายเราเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่ความตายแทนที่มันจะหาความสุขให้กับเราเหมือนกับที่มันเคยทามาทีนี้มันก็จะหาแต่ความทุกข์มาให้กับเราความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ ความพัาดพาดจากสิ่งที่เราลักเราชอบก็เป็นทุกข์นี่คือปัญหาของพวกเราที่เกิดจากความหลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาเจอกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะแก้ปัญหาแบบวิธี ผ, ผิดไปเรื่อยๆพอสูญเสียราบไปก็ไปหาราบใหม่สูญเสียยศดก็ไปหายศใหม่สูญเสียสรรเสริญก็ไปหาสรรเสริญใหม่สูญเสียความสุขจากรูปเสียงกิรนรลดโพธิพัชชนิดต่างๆเราก็ไปหารูปเสียงกิรถยลดพธิพัชชนิดใหม่มาเสเรื่อยๆเราก็จะทาอย่างนี้ไป จนกว่าร่างกายเราจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เมื่อร่างกายเราพบกับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายตอนนั้นชีวิตเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่มีไม่มีความสุขเลยเพราะไม่สามารถ หาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกลิ่นรสถดสภพัสชนิดต่างๆได้นั่นเอง<ม>แล้วปัญหานี้มันก็ยังไม่หมดเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว <c oughs> เราคือใจผู้มีความอยากผู้มีความหลงที่หลอกให้เรามาหาความสุข จากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสทพภามันก็จะพาให้เราดวงวิญญาณของเราไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่พอเกิดมาในอยู่ในโลกนี้เราก็จะมาหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสทศภาต่อไป เราเคยสังเกตนะว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ต้องมีใครสอนเลยเรื่องการหาความสุขจากราบยศ ส, สรเสญจากรูปเสียงกลิ่นรสผงสะพานี้มันเป็นอัตโนมัติมแม้แต่เด็กที่คลอดออกมาใหม่ๆมันก็เริ่มร้องหารูปเสียงกิ่นรสแล้วเวลาที่มันไม่มีของแปลกๆดูมันก็จะร้องไม่มีเสียงแปลกๆได้ผังมันก็จะร้อง พ่อแม่ก็ต้องไปหาของแปลกๆเสียงแปลกๆให้ลูกมาดูเช่นตุ๊กตาต่างๆเวลา น, นอนในเปลก็ต้องมีอะไรให้เวลานแง น, นขึ้นมามองเพดานนี้แต่ความว่างมันก็ร้องพอมีอะไรมาห้อยให้มันเห็นเป็นของแปลกๆมีเสียงดังแปลกๆมันสั่งแล้วมันก็มีทางสุขใจเพือนใจ ไม่รู้สึกเหวไม่รู้สึกว่าวเวมันเป็นธรรมชาติการแสวงหารากยศเสริมสุกนี้มันเป็นอัตโนมัติที่ติดมากับใจเหมือนกับนาฬิกาไขาลานอัตโนมัติสมัยก่อนนี่นาฬิกายุคแรกๆนี่ต้องไขาลานมันถึงจะเดินถ้าไม่ไขาลานนาฬิกาก็ไม่เดิน ต่อมาคนฉลาดเขาก็คิดทํานาฬิกาแบบไม่ต้องขายลานให้มันไขเองให้มันขาลานเองแล้วต่อมาก็ใช้แบตเตอรี่เลยไม่ต้องไปไขมันมันเป็นอัตโนมัติไปใจของพวกเราก็มีความหลงเป็นตัวอัตโนมัติตัวความหลงนี่แหละมันเป็นตัวที่หลอกที่สั่งให้เราไปหาความสุข จากลาบยศเสรเสรจากรูปเสียงกลิ่นรสโถดสะทะชนิดต่างๆแล้วก็หลอกให้เราต้องไปเจอกับความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ถ้าสิ่งที่ความหลงมันหลอกให้เราไปหาเป็นความสุขอย่างเดียวมันก็จะไม่ได้เป็นความหลงมันก็เป็นความจริง <c oughs> เพราะสิ่งที่ใจของพวกเราทุกคนต้องการก็คือความสุข เพียงแต่ว่าความสุขที่เราถูกความหลงหลอกให้ไปหานั้นมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความทุกข์ที่เคลือบด้วยความสุขผิวบางๆไว้เท่านั้นเองเป็นความสุขที่เวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุขแล้วหลังจากนั้นไม่นานความสุขนั้นก็จางหายไปแล้วสิ่งที่โผลขึ้นมาก็คือความทุกข์ต่างๆ น, นานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้าที่มาค้นพบความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรแล้วนามาวิธีให้เข้าหาสู่ความสุขที่แท้จริงนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านุ้พระสาวกของพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกให้เรา หาความสุขที่แท้จริงเราก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขปลอมหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นยลดผลสะพ้าพไปเรื่อยๆตายจากภพนี้ชาตินี้ก็กลับมาเกิดใหม่ในภพหน้าชาติหน้าแล้วก็กลับมาหาความสุขปลอมต่อไป หาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะให้ความความพอกับใจความสุขที่หาที่ความหลงพาให้ไปหานั้นเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรพอมันหมดไปหายไปมันก็ทั้งสร้างความหิวสร้างความอยากขึ้นมาใหม่นั่นเองใจเราก็เลยต้องไป หาราบยศสารเสญ ส, สุขอยู่เรื่อยๆหามาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านพบแล้วพบชาติที่เรามาเกิดเพื่อมาหาหาความสุขจากราบยศสรเสริญนี่มันนับจํานวนไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะรู้จํานวนพบชาติที่เรามาเกิดเพื่อมาหาความสุขจากราบยศสารเสนจากรูปถิ่งกิริโสดผับฐาน ต่างๆนี้มีมากเพียงไรก็ให้เอาน้ำตาที่เรามาหลังเวลาที่เราเจอกับความทุกข์ต่างๆตอนที่เรามาเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่เคยร้องไห้เลยไม่เคยหลั่งน้าตาเลย <S <S <S นั่นแหละถ้าพระเจ้าบอกว่าเอาน้ำตาที่เราหลัง ที่เกิดจากความสูญเสียความสุขต่างๆไปทุกใจเพราะสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียเลือรูปเสียงกิ่นลดปวดทาพไปแต่ mm. ในแต่ละครั้งถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติ mm. มารวมกัน mm. น้ำตาที่เราหลัง่งเคยหลั่งมาแล้วมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร ที่ดูก็แล้วกันว่าจะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายมาหลังน้ำตากันกี่รอบด้วยกันถึงจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของความทุกข์ที่เกิดจากความหลงของใจหลอกให้เรามาทุกข์กับราบยศสารเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโทธพะ แล้วก็ไม่เคยบอกวิธีแก้ปัญหานี้ให้กับเรามีแต่ให้เราติดอยู่กับวิธีการหาความทุกข์เหล่านี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพาระอานันตสาวกที่มาพบกับความจริงว่าการห า, ราลาภยศเสริญหาลูกเสียงขกุถถ่ยลดผลสภพานี้ มันเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขพระพุทธเจ้าคือสมัยที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์มาเห็นความจริงของความไม่เที่ยงของราบยศชลสริญสุสก็ตอนที่พระองค์ได้ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายนั่นเองพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย ก็รู้ว่าร่างกายของพระองค์ ก, ก็ต้องเป็นต่อไปก็ต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บแล้วเป็นคนตายพอเวลาเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายนี้จะไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขเหมือนสมัยที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ความสุขที่ได้จากราภยศเสริญสุขมันก็จะหมดไปถึงแม้จะมีอยู่ก็เอามา สร้างความสุขให้กับใจไม่ได้<ม>เพราะร่างกายมันไม่มีเลื้ยวมีแรง <c oughs> ไม่มีสมรรถภาพแล้วนอกจากไม่มีเลื้ยวมีแรงแล้วมันยังมีความทุกข์รุมเร้าอยู่เรื่อยๆทุกขที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยตามทั่วสะพานกาย<ม><ม>จนทําให้ไม่มีความอยากที่จะหาความสุขเพราะมันหาไม่ได้เพราะใจ เพราะร่างกายถูกความทุกข์ต่างๆรุ่มแล้วอยู่ตลอดเวลานั่นเองอันนี้แหละเป็นเหตุที่ทําให้เจ้าชายสิทธัตถะต้องคิดหนักว่าแล้วจะทํำยังไงดีก็ <c oughs> พอดีได้ไปเห็นนักบวชเข้าแล้วก็ได้ได้เรียนรู้ว่านักบวชนี่แหละเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ไปหาทาง หาความสุขที่แท้จริงหาทางออกจากความทุกข์แห่งราบยศสารเสริญแห่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพชนิดต่างๆพร mm hmm. ะพุทธเจ้า ก, ก็เลยจ้ะชายสิทธัตถ mm ัน hmm. ก็เลยตัดสินใจจะต้องไปบวชออกบวช mm hmm. ก็เลยมีโอกาส mm hmm. ก็หนีออกจากพระราชวังไปแล้วก็ไปบวชไปศึกษาอยู่กับพวกนักบวช <c oughs> อยู่หกปีด้วยกัน mm hmm. ก็ได <Qué> <discourse> ้เร so ียนรู้ว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรที่ยั่งยืนก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนั่นเองความสุขที่เกิดจากการไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาเพื่อที่จะ ทำให้ใจสงบพอใจสงบแล้วใจก็เกิดความสุขขึ้นมาเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาใจก็ไม่ต้องไปพึ่งร่างกายเพื่อที่จะไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพดสะพ้าอีกต่อไปใจก็ได้พบความสุขที่แท้จริงที่ถาวร ที่จะทําให้ใจไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปพอไม่มีร่างกายอันใหม่ก็ก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายอันใหม่ต่อไปพอไม่มีร่างกายพอไม่เกิดมันก็ไม่มีร่างกายมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกข์ก็เกิดไม่ได้ความทุกข์ต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่นี้อันหนึ่งสิ่งแรกก็คือ ความทุกข์ที่ได้จากการมาเกิดนี่พอมาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าใครก็ตามจะเกิดมารวยมาจนมามาเกิดสูงเกิดต่ำมาฉลาดหรืองอเมื่อมาเกิดแล้วก็จะต้องเจอความแก่ความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายแล้วนอกจากความทุกข์ที่ได้จากความแก่ความเจ็บความตายแล้ว ก็ยังเป็นได้รับความทุกจากการไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกยิรลโสดถ้าอีก <c oughs> เพราะว่าราบยศสรรเสริญสุขมันเป็นของไม่เที่ยง ม, <c oughs> มันจเจริญน่าเสื่อมเป็นธรรมดามีขึ้นมีลงมีมามีไป <c oughs> มีได้มีเสียไม่มีใครไปบัง ไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ให้เปลี่ยนไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเหมือนเรื่องของเหมือนกับลมพัดแดดออกไม่มีใครไปควบคุมลมพัดแดดออกได้เวลาลมจะพัดมันก็พัดเวลามันจะหยุดพัดมันก็หยุดพัดไม่มีใครไปสั่งให้ลมพัดได้ตลอดเวลา ไม่มีใครสั่งให้ลมหยุดได้เวลาที่ต้องการให้มันหยุดลมมันจะหยุดมันจะพัดนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ไปสั่งได้ฉันใดนาบยศฉลเสญสุขทางรูปเสียงกลิ่นรยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกับลมพัดแดดออก<ม>เวลามันจะเจริญมันก็เจริญ เวลามันจะได้เงินได้ทองมามันก็ได้มาเวลามันจะสูญเสียมันจะหมดสิ้นเนื้อประดาตัวมันก็หมดได้ยศตำแหน่งเวลาจะได้มันก็ได้เวลามันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้ในเวลามันจะหมดมันก็หมดสรรเสริญก็เหมือนกันเวลามันจะมามันก็มาเดี๋ยวเวลามันจะไม่มามันก็ไม่มา นินทเวลามันจะไม่มามันก็ไม่มาเวลามันจะมามันก็มาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเวลามันจะมามันก็มาเวลามันจะไปมันก็ไปไม่มีใครสั่งให้มันอยู่ตลอดเวลาได้ไม่มีใครสั่งให้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่กับตนไปได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่ อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้อันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่เรามาเกิดจะต้องเจอกันก็คือเจอความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายเจอความทุกข์จากการที่เราต้องพัฒนาสูญเสียความสุขของลาบยศสารเสริญสุขไปเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยง เพราะว่ามันเป็นของที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปห้ามมันได้ถ้าเรายังหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้อยู่เราก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเราก็ได้ต้องมาเจอกับความทุกข์แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราจะต้องหลั่งน้ําตาต่อไปให้มากยิ่งกว่าน้ําในมหาสัมวัตอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยก็ได้จนกว่าเราจะมาได้ มาเกิดในยุคที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าของพาอา ร, ระอนันตสาวกหลงเหลืออยู่ในโลกนี้เช่นในยุคนี้ในภกนี้ชาตินี้พวกเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นพวกที่มีโชควาสนามีบุญมากที่ได้มาพบกับคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มาพบกับพระอาริยสงสาวกพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลาย ผู้ที่จะสอนวิธีให้เราหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่ ง, ง, ง, งหาความสุขจากการมาสึกจิตมาทําใจให้สงบให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภ์ให้มาหาความสุขโดวยวิธีทําใจให้สงบการที่เราจะทําใจให้สงบนี้ ก็ต้องปฏิบัติสามขั้นตอนนี่กันที่เรียกว่าศีลสมาธิและปัญญานี่เราต้อง<ม>รักษาศีล<ม>เช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะต้องออกจากวังไปแล้วก็ไปเป็นนักบวชไปอยู่กับพวกนักบวชพวกนักบวชเขาก็จะถือศีลของนักบวชกันคือเนื้อคมะนักบวชเขาจะไม่เศษกลาง เขาจะละ ก, การเสกกรรมเรียกว่าถือศีลในขมัมมะก็คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่กินตามความอยากต่างๆกินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายแบบกินยากินเหมือนกินยามีเวลากินมีปริมาณของการกินไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปให้กินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ ไม่ได้ให้กินตามความอยากถ้ากินตามความอยากแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอกินจนกระทั่งร่างกายกลายเป็นตุ่มก็ยังไม่อิ่มไม่พอเพราะความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากมันอยู่ที่ใจใจมันไม่ได้อ้วนไปกับร่างกายแต่ผู้ที่กินก็คือร่างกายผู้ที่กลายเป็นตุ่มไปก็คือร่างกายแล้วก็ต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการ มีร่างกายที่เกินน้ำหนักเกินนักบวชจะไม่หาไม่กินไม่หาความสุขจากการกินการดื่มเครื่องดื่มต่างๆถ้าจะกินจะดื่มก็เพื่อการเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้เช่นกินวันละมื้อก็พอแล้วส่วนเครื่องดื่มก็ไม่ต้องดื่มหลังจากที่ดื่มกับอาหารไปหลังจาก เสร็จแล้วกินอาหารเสร็จแล้วดื่มเครื่องดื่มที่ต้องการพอแล้วถ้าร่างกายหิวน้ำก็ให้กินน้ำาปล่ า, าจะไม่กินน้ำไม่ดื่มน้ำที่มีกลิ่นมีรสมีสีเพราะมันเป็นการมาคุณมันเป็นการเสพกามเป็นการหาความสุขจากรสของเครื่องดื่มกลิ่นของเครื่องดื่มอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะทาให้เกิดความทุกข์ได้เวลาที่ไม่ได้ดื่ม เวลานั่งกายหิวน้ำให้ดื่มน้ำาปล่าไปสำหรับที่พวกที่เป็นนักบวชนี่เขาจะไม่นิยมดื่มอะไรหลังจากที่เขากินอาหารเสร็จแล้วดื่มเครื่องดื่มต่างๆพร้อมกับอาหารไปทีเดียวเลยหลังจากนั้นแล้วก็จะดื่มแต่น้ำเปล่าไปเพียงอย่างเดียวแล้วก็ยึดไม่ไม่หาความสุขจากการดูการฟังพวกมหรลสบบันเทงต่างๆ ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่เลาะดูลิเกดูละครไม่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ให้ไ ม, ไม่ไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรรท์ที่วิจิตริศดาน<ๆ>ไม่เสริมสวยร่างกายด้วยการทำหน้าทำตาทำเผ้าทำผมการใช้น้ำมันใช้น้ำหอมอะไรต่างๆ สิ่งเหนี้เป็นเรื่องของการหาความสุขจากรูปเสียงกลษษษษษิ่นรสพจน์สภาะทั้งนั้นเป็นการกรร ม, มฉันทะ <wheelchair. S 2> สินักบวชนี้ต้องการระ ง, งับการมฉันทะในทุกรูปแบบไม่ให้แสวงหาความสุขจากการเสพกรรมฉันทะก็ต้องถือเนธขมะเนธขมะก็คือการยุติหรือการระ ง, งับการหาความสุขจากกรรมคุณทั้งห้านั่นเอง นอกจากนั้นเรายัางต้องนอนไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนแบบเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พ อ, อไม่ให้นอนเพื่อหาความสุขจากการหลับนอน<ม>เพราะการหาความสุขจากการหลับนอน<ม>ก็เป็นการการมฉันทะอย่างความอยากจะเสพกรรมคือการได้สัมผัสกับผดุทพะที่นิ่มที่สบายเ<ม><ม>ช่นนอนบนฟูกหนาๆเปียงสารานอนแล้วมันไม่อยากจะลุกเพราะมันมีความสุข ก็ต้องเปลี่ยนวิธีนอนให้นอนบนทื้นแข็งๆ mm hmm. ปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสื่อก็พอ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่นอนมากเกินไปเพราะเราจะต้องการเอาเวลาของการเสกกรามนี้มาให้กับการมาปฏิบัติสมาธิและปัญญา น, นั่นเอง mm hmm. ถ้าเราไม่ถือศีล น, นักบวชถือเพียงศีลห้านี้มันจะไม่มันจะไม่ห้ามเรื่องของการ เศษกามมคุณห้ายัางยังร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนได้ยังดูหนังฟังเพลงได้ยังกินอาหารได้ทั้งวันทั้งคืนนึกอยากจะกินอาหารเท่นไหนก็กินได้ตลอดเวลาเพราะสินห้าไม่ได้ห้าสินห้าเพียงแต่ห้ามไม่ให้ทำบาปเทรานั้นบาปคืออะไรก็คือหนึ่งการฆา่าสัตว์ การลักทรัพย์ของผู้อื่นการประพฤติผิดประเพณีเช<ม>่นไปเป็นชู้ของสามีภรรยาของผู้อื<ม>่นการพูดปลดกโกหกหลอกลวง<ม>าการดื่มของมึนเมาต่างๆอันนี้เป็นศีลที่ห้ามไม่ให้ทําบาปแต่ศีลที่ห้ามไม่ให้เสพกามคุณห้านี้ไม่ได้อยู่ในศีลห้าเลยศีลห้านี้ยัง เอาแค่ห้ามทำบาปก่อนสำหรับผู้เพิ่งเริ่มต้นที่จะมาฝึกขัดปฏิบัติทางธรรมนี้ถ้าจะให้ปฏิบัติศีลแปดเลยอาจจะยังไม่สามารถทำได้รีย์ยังไม่แก่กาพอถ้าเป็นถ้าเป็นคนก็ยังเป็นเหมือนเด็กอยู่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ยังเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลอยู่ศีลห้า น, นี้เป็นเหมือนศีลชั้นอนุบาล สำหรับผู้ที่เริ่มต้นผู้ที่อยากจะมารักษาสินงเริ่งต้นก็ให้ลองรักษาศิ่งห้าไปก่อนพอรักษาศิ่งห้าได้แล้วค่อยขยับขึ้นมารักษาศิ่งแปดตอนต้นก็ให้เอาแค่อทิตย์ละวันก่อนอเช่นวันพระนี่เป็นวันที่ผู้ที่รักษาศิ่งห้าได้แล้วจะมาลองรักษาศิ่งแปดยูดูว่ารักษาเพิ่มอีกสามข้อไหวไหย มายุติการเสกการมไหว้หมม า, มาไม่ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนได้ไหมไม่กินตามความอยากได้ไหมกินแค่มื้อเดียวหรือกินไม่ให้กินเที่ยงวันได้ไหมไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ดูละครไม่ดูอะไรทั้งสิ้นได้ไหมไม่ดูไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงสบายได้ไหม อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเริ่มทดลองก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนจากสินห้ามาเป็นสินแต่ก็ตอนต้นก็เอาอาทิตย์ละวันก่อนพอทำได้แล้วแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์การถือสินแต่นี้มีไว้เพื่อให้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งที่เราจะทำให้เราเกิดประโยชน์ สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากสินแปดก็คือเราจะได้มีเวลาไปฝึกสมาธิไปฝึกปัญญานั่นเอง อ, อย่าถือสินแปดอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ไปปฏิบัติสมาธิและปัญญาประโยชน์มันก็จะได้เท่ากับการถือสีนห้าเท่านั้นเองอเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ไปเสพการไม่ได้ไปอะไรแต่เราก็ไม่ได้เอาเวลาที่เราได้ว่างจากการ ไม่เสพการนี้ไปทําประโยชน์คือไปฮะสร้างความสุขในรูปแบบใหม่เราต้องการเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะนี้เราจะต้องการมาสร้างความสุขแบบทําใจให้สงบด้วยการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาสนินแปดมีไว้เพื่อ สนับสนุนหรือส่งเสริมให้การปฏิบัติสมาธิและเป็นปและปัญญาเป็นไปได้อย่างง่ายดายและสะดวกแต่ถ้าเรามาถือกศีลแปดแล้วเราไม่มานั่งสมาธิไม่มาปฏิบัติมันก็ไม่ได้อะไรมากมันก็พอๆกับการรักษาศีลห้าไปเท่านั้นเอ ง, งการรักษาศีลแปดนี้มีไว้เพื่อให้เรามาปฏิบัติสมาธิมาปฏิบัติปัญญา อย่ารักษาสินแปดไปเฉยๆสินแปดนี้มีไว้เป็นเครื่องมือสนับสนุนเพื่อให้เราได้มีเวลามาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิมาเจริญปัญญาซึ่งเราก็า จ, จะเริ่มทำในวันพระก่อนถ้าเรายังไม่เคยถือสินแปดเลยเราก็มาลองถือสินแปดในวันวันพระ คำว่าวันพระนี้ความจริงหมายถึงวันที่เราว่างจากการทํางานวันที่เราหยุดทํางานสมัยก่อนวันหยุดทํางานเป็นวันพระแต่สมัยนี้วันหยุดทํางานไม่ตรงกับวันพระแล้วจะตรงกันบ้างก็นานๆสักครั้งหนึ่งเช่นวันพระที่ผ่านมานี้ก็ตรงกับวันพระรหัสวันพระรหัสก็เป็นวันที่ญาติโยมต้องไปทํางานกันก็ไม่สามารถมาปฏิบัติ มารักษาศีลแปดมาฝึกสมาธิมาเจริญปัญญาได้เพราะต้องไปทํางาน mm hmm. ถ้าไปถือศีลแปดในวันทํางานก็จะรู้สึกมีอุปสรรคมาก mm hmm. ไหนจะไหนจะต้องไปทํางานก็แต่งต้องต้อ ง, แ ต, งแต่งเนื้อแต่งตัวให้ให้เป็นที่ mm hmm. รับได้ในสังคม mm hmm. ไหนจะต้องกินอาหารหลังต้องหยุดพักตอนเที่ยงวันก่อนถึงจะกินอาหารได้ mm hmm. มันก็จะเป็นปัญหาต่างๆขึ้นมาแล้วไหนจะต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวก็หิวอยากจะกินนู่นกินนี่อยากจะดืม่มนั่นดื่มนี่ก็จะทำไม่ได้มันก็จะเป็นการทรมานตัวเองไปเปล่าๆโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนะถ้าเราจะรักษาสินแปดเพื่อที่เราจะได้ฝึกสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริง คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เราต้องทำในวันที่เราว่างจากการภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปวัดเลยไปอยู่วัดสักหนึ่งคืนหนึ่งวันในค้างคืนที่วัดวัดที่เป็นวัดปฏิบัติวัดที่มีการส่งเสริมการรักษาศีลแปดการนั่งสมาธิการเจริญปัญญา อ, อย่าไปอยู่วัดที่มี มีงานการต่างๆมีการมีการฉลองมีการบวชนาคบวชอะไรมีการสวดศพมีอะไรต่างๆมีกิ จ, จกรรมต่างๆในวัดวัดเหล่านั้นไม่เหมาะต่อการปฏิบัติสมาธิศินสมาธิปัญญาจะไม่สามารถที่จะฝึ ก, กจิตทำจิตใจให้สงบได้ต้องไปวัดที่เป็นวัดป่าวัดเขา วัที่น้นในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา mm hmm. ถ้าไปวัดปฏิบัตินี้จะเป็นวัดที่สงบเงียบ mm hmm. อยู่ห่างไกลจากชุมชน mm hmm. อยู่มักจะอยู่นอกเมืองกันอยู่ตามป่าตามเขา mm hmm. แล้วเป็นที่เงียบสงบสงัดที่พักอยู่อาศัยก็จะแยกกันอยู่ไม่ให้อยู่ใกล้ๆกัน mm hmm. ให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติกันอันนี้แหละเป็นเป็นที่ควรต่อการปฏิบัติเพื่อทำจิตใจให้สงบเพื่อที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร<ม>ก็จำเป็นจะต้องมีเวลาก็คือต้องไปทำในวันหยุดทำงานนั่นเอง ซึ่งสมัยนี้วันหยุดทำงานของเรามันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการต่างๆเราก็ต้องเลือกเอาเวลาเหล่านี้มาให้กับการไปปฏิบัติเช่นวเราหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็เลือกเอาวันใดวันหนึ่งหรือเอาทั้งสองวันก็ได้แล้วเราก็ไปหาวัดที่สงบที่เอื้อต่อการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราก็ไปอยู่ที่วัดนั้น ไปถือศีลแปดไปหยุดการหาความสุขจากราบยศสารเสริญหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสถทดกฐะเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาหาความสงบทำใจให้สงบ<ม>ด้วยการเจริญสต<ม>ถิถือศีลแปดก่อนถือศีลแปดแล้วก็เจริญสติทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ ต้องถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติทั้งสิ้นเลยไม่ใช่อย่าไปคิดว่าเวลาปฏิบัติเป็นเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิด <sûr> เวลาของการปฏิบัตินี้มันเอาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนกับพอขึ้นเวทีปั๊บเขาตีระครังปั๊บก็ต้องต่อยกันทันทีเลยไม่มีเวลาว่างเลยพอขึ้นเวทีแล้วพอตีระครังแล้วก็ตก้องต่อยกันอย่างเดียวจนกว่าเขาจะตีระครังให้หยุดต่อย เวลาของนักปฏิบัติก็แบบเดียวกันอพอลืมตาขึ้นมานี่ก็เหมือนกับขึ้นเวทีตีระฆังแล้วต่อยได้แล้วเริ่มต่อยได้แล้วพอลืมตาขึ้นมาแล้วก็จะมาหยุดต่อยก็หยุดตอนที่เขาตีระฆังตอนที่เราพักนอนหลับ น, นั่นั้แน่ะเป็นเวลาที่เราไม่ได้ต่อยเวลาที่เราพักผ่อนหลับนอนนั้นเป็นเวลาที่เขาตีระฆังให้พักสี่ชั่วโมงคืนหนึ่งให้พักสี่ห้าชั่วโมงไม่ให้มากไปกว่านั้น พอตื่นขึ้นมาปั๊บก็เริ่มให้ปฏิบัติเลยให้เริ่มต่อยกับคู่ต่อสู้เลยคู่ต่อสู้ของเราก็คืออะไรก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆโดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งเพื่อที่จะไปหารากยศสารเสริญสุขนี่เพราะมันเป็นความคิดที่มันฝังอยู่ในใจเป็นอัตโนมัติเลยพอเราเตื่นขึ้นมานี้ความคิดก็จะคิดหาความสุขจากรากยศสารเสริญ น, นะ คิดว่าจะดื่มอะไรดีจะกินอะไรดีนะพอเริ่มตาขึ้นมาเราจะไปทําอะไรดีไปหาอะไรดีหาลาบดีหา ย, ย ด, ดีหาสรรเสริญดีหรือหารูปเสียงกลิ่นรสดี<ม>ความคิดมันก็จะคิดอยู่แต่เรื่องราวล่านี้ตลอดเวลาถ้าเราปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็จะฉุดลากให้เราไปทําตามความคิดเราก็จะไม่มีทางที่จะเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้คือความสงบของใจความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากความสงบ ความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องหยุดความคิดต่างๆนี่ดังนั้นการปฏิบัติจริงๆนี้เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาในวันพระวันหยุดทํางานพอเราไปอยู่ที่วัดแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยพอเข้าที่ปตอเข้าที่พักของเราปุป๊บนี้ก็ต้องถือว่าเขาเริ่มตีละฆังแล้วตีละฆังให้เราเริ่มปฏิบัติได้แล้วพออยู่พอไปเข้าที่พักก็ฝึกสติทันที จะใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้คอยสกัดความคิดต่างๆคอยหยุดความคิดต่างๆอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญถึงรูปเสียงกลิ่นรสเพราะถ้ามันคิดแล้วมันจะทําให้ใจมันอยากไปหาความสุขเหล่านี้มันก็เลยจะทําให้อยู่อย่างไม่มีความอยู่อย่างไม่สงบอยู่อย่างวุ่นวายอยู่แบบฟุ้งซ่านอยู่แบบหงุดหงิด นำคาใจบางคนก็ทนอยู่ไม่ได้อยู่ได้ปป๊บเดียวก็ต้องข อ, อกลับบ้านเพราะสู้กับความคิดไม่ได้สู้กับความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโขดตะเพาะไม่ได้ mm. ถ้าเราอยากจะอยู่ mm. เพื่อเอาชนะความอยากเหล่านี้ความคิดเหล่านี้เราต้องเราต้องเริ่มใช้อาวุธที่สำคัญ mm. มาหยุดมันก่อนเลย mm. ก็คือการใช้สติ mm. ใช้พุทธานุสติ ใช้พระพุทธเจ้านี่แหละชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปพูดไปคุยไม่ไม่ต้องไปทุกข์เคียกับใครไม่ต้องไปอะไรกับใครไปแล้วต้องแยกเดียวอยู่คนเดียวดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ไปแล้วก็พุทโธพุทโธไปเข้าที่พักไม่ว่าเราจะทําอะไรจัดข้าวของจัดข้าวของที่เราไปจัดที่พักที่อยู่อาศัย ทำความสะอาดหรือทําอะไรเราก็มีพุทโธไปตลอดเวลานะทาไปพุทโธพุทโธไปเรื่อยเรื่อยจนกว่างานที่จําเป็นต้องทํามันหมดลงเราก็มาเดินจงกรมต่อเลยก็ได้เดินจงกรมเราก็พุทโธพุทโธต่อไปเสร็จจากการเดินจงกรมเรามานั่งสมาธิหลับตาเราก็พุทโธพุทโธต่อไป <S <S ถ้าทําอย่างนี้รับประกันได้ว่าไม่นานใจเราก็จะนิ่งจะสงบได้ แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง<ม>คือความสุขที่เกิดจากความสงบ<ม>ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขัง<ม>สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีมพอเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งถ้านั่งแล้วสงบได้ยังรู้สึกเฉยเฉนี่ยังแสดงว่ายังไม่สงบจริง<ม>ถ้าสงบจริงแล้วมันเหมือนกับ<ม>อยู่ เหมือนเหมือนกับเหมือนกับเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยเป็นโลกที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งไม่ที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยพบเคยเห็นความสุขแบบนี้มาก่อนถ้านั่งไปแล้วจิตรู้สึกนิ่งๆได้ แ, แต่ไม่มี ค, ความรู้สึกมหัศจรรย์ใจนี้สแสดงว่ายังไปไม่ถึงอ ย, ย่าหยุดทําต่อไปพุทโธต่อไปมันต้องไปถึงขั้นที่มันเหมือนมันวุบลงไปตกหลุมตกบอ่อตกเขวอย่างเงี้ย แล้วมันจะเริ่มรู้สึกโอ้ยเบาอกเบาใจมหัศจรรย์ใจขึ้นมาอันนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าความสงบที่แท้จริงแต่ถ้านั่งไปแล้วมันใจมันเริ่มหายฟุ้งซ่านไม่คิดมากแล้วแต่ยังรู้สึกเฉยเฉยไม่มีอะไรแปลกว่า แ, แปลกมหัศจรรย์ใจนี้แสดงว่ายังไปไม่ถึงอย่พิ่งไปหยุดพุทโธพุทโธต่อไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจิตมันจะรวมนั่งร่วงลงมาจากที่สูงเหมือนตกลงมาจากที่สูง แล้วก็นิ่งสงบสบายเย็นสบายมหัศจรรย์ใจอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิ<ม>เป็นความสงบที่ที่ให้ความสุขที่แท้จริงกับเรา<ม>อันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเข้าถึงกันเพียง<ม>แต่ว่าความสุขที่เราได้จากการใช้สตินี้มันยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวเพราะว่าเวลาออกจากสมาธิมา ความสุขนี้ก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะว่าเราเริ่มคิดปรุงแต่งนั่นเองพอมีความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งนี้มันก็จะทำให้ความสงบนี้หายไปแต่เราสามารถที่จะทำให้ความสงบที่เราได้จากสมาธินี้สงบต่อไปได้ถ้าเราใช้ปัญญาขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็คือการใช้ปัญญาให้ใช้อย่างไรแเราก็ต้องใช้ปัญญามาระงับความคิดปรุงแต่งนั่นเอง แทนที่จะใช้สติเรามาใช้ปัญญาแทนการที่จะใช้ปัญญาให้หยุดความคิดที่จะไปหาความสุขจากราบยศเสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดจากร่างกายนี้เราทำอย่างไรเราก็ต้องเห็นว่าการไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นการไปหาความสุขมันเป็นการไปหาความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นความสุขแบบไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นความสุขแบบชั่วคราวราบยศสรรเสริญรูปเสียงกิริยลก็เป็นความสุขชั่วคราวนั่งกายนี้ก็เป็นความสุขชั่วคราวพอมันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพอเสื่อมลาบเสื่อมยศเ ส, tokens, สืเอ่อมสรรเสริญเสื่อมความสุขจากรูปเสียงกิริยลมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้จะสอนปัญญาจะสอนให้ใจเห็นว่าการไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิริยล จากตาหูจะหมุนลื้นกายนี้เป็นการไปหาความทุกข์พอมันเห็นชัดได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นทุกข์ปั๊บมันก็หยุดหาทันทีมันจะไม่เอาทันทีเหมือนถ้ามีใครเข้ามาบอกว่าเครื่องดื่มกาแฟชนิดนี้ดื่มไปแล้วจะเป็นโรคมะเร็งเนี่ยต่อให้ชอบดื่มมันมากน้อยเพียงไรท่านหนึ่งพอรู้ว่าดื่มแล้วจะต้องเป็นโรคมะเร็งนี่ไม่ดื่มนะเลิกดื่มทันทีไม่ไปคิดถึงมันไม่เคยอยากจะไปดื่มมันทันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกัน สิ่งต่างๆที่เรากําลังหาการคิดว่าให้ความสุขกําลังนี้มันเป็นโรคมะเร็งอ่ะมันจะทําทให้เราต้องเศร้าทําให้เราต้องเครียดทําให้เราต้องทุกข์กันถ้าเราไปหาราบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออันนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อมาเพราะของพวกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเวลาเวลามันจเจริญก็ให้ความสุขแต่พอเวลามันเสื่อมปั๊บนี่มันยัก กายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีก็เหมือนกับไปเดินเครื่องดื่มที่จะทําให้เราเป็นโรคมะเร็งต่อไปต้องมีมีคนฉลาดมาค้นพบว่าเนี่ยเครื่องดื่มชนิดนี้เดือดเข้าไปแล้วจะต้องมีมะเร็งตามมาถ้ารับประกันได้เครื่องดื่มชนิดนั้นจะขายดีขนาดไหนก็จะขายไม่ออกทันทีเพราะคนรู้ด้วยปัญญาว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นสารก่อมะเร็งมีสารก่อมะเร็งอยู่ในเครื่องดื่มชนิดนี้ฉันใด ลาบยุสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกลิ้นกายมันก็มีสารก่อมเลเรงอยู่อยู่ในตัวของมันเองสารก่อมเลเรงคืออะไรก็คืออนิจจังกับอนัตตานี่คือตัวเป็นสารก่อมเลเรงเป็นตัวที่จะมามาแปลงความสุขให้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปถ้าเราเห็นด้วยปัญญา ว, ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากาลังคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้มันจะ มันมีมันมีสารมะเร็งอยู่มันจะกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาต่อไปสารมะเร็งที่อยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็คืออนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้มันถึงทำให้เกิดทุกข์ขังขึ้นมามเกิดความทุกข์ขึ้นมามอันนี้เราต้องเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเรายังอยากจะหาความสุขอยู่นั้นจากสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้น เพราะว่าการใช้สติทําใจให้สงบนี้ไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้หยุดไม่ได้แก้ความหโงสิ่งที่จะมาแก้ความหโงได้ก็คือปัญญาคือความจริงความจริงที่บอกว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นเหมือนโลกมละเร็งได้เหตุที่สารสารที่จะก่อให้โลกมะเร็งนี้คืออะไรก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอ น, นิจจังแล้วก็อนัตตา เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้เพียงอย่างเดียว<ม>วันใดวันหนึ่งมันก็จะพลิกเปลี่ยนปรากการให้ความสุขมาเป็นการให้ความทุกข์กับเรา<ม>อันนี้ต้องการต้องใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรเช่นได้มาแล้วมันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรืเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแล้ว<ม>ของทุกอย่างที่เราซื้อมา เวลใหม่ๆมันก็เป็นอย่างหนึ่งพอใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวมันก็เริ่มเก่าแล้วเริ่มเสียล้วรถยนต์เวลาซื้อมาใหม่ๆก็ไม่มีข้อบอกพร่องใช้ได้ดีแต่ใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดปัญหาขึ้นมาแลเดี๋ยวแบตเตอรี่เสียบ้าง<ม>เดี๋ยวยางแตกบ้าง<ม>เดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นั่นเสียบ้างทําให้รถยิ่งไม่ได้<ม>พอรถยิ่งไม่ได้ความสุขที่ได้จากการใช้รถก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นเพราะต้องเอารถไปซ่อมไปเสียเงินอี่ อันนี้ต้องใช้ปัญญามองให้เห็นความไม่เที่ยงเพาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มันไม่เหมือนเดิมมันเริ่มเสื่อมนับตั้งแต่วันที่เราเอามาเป็นเจ้าของของต่างๆที่เราได้มาเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมไปค่อยๆค่อยๆเสียไปแล้ววันใดวันหนึ่งเราก็จะใช้มันไม่ได้เช่นโทรศัพท์มือถือที่เราซื้อกันมาทุกวันเนี้มันใช้ได้กันสักกี่ปีใช้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เสียแล้ว เสียแล้วเราก็ใช้มันไม่ได้อันนี้แหละคือเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ไม่มีบริษัทไหนรับประกันว่าซื้อเครื่องนี้มาแล้วใช้ได้ไปตลอดชีวิตไม่มีหรอกไม่มีใครรับประกันได้ไม่มีใครไปห้ามมันไม่ให้เสื่อมได้ต้องมองให้เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอนัตตาไม่ของที่ไม่มีใครรับประกันไม่ให้ไม่เที่ยงได้แต่ใจของเรามันอยากให้มันเที่ยงมันก็เลยทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปหาสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเราล้วกลับมาอยู่กับใจที่สงบดีกว่าใจที่สงบมีสองแบบสงบด้วยสติก็คือใช้สติบริกรรมพุทธโธให้ใจหยุดคิดหลังจากนั้นเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจให้หยุดความอยากพอหยุดความอยากได้ปั๊บใจที่ไม่สงบก็จะกลายเป็นใจสงบขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ อันนี้เป็นความเป็นความสงบอย่างถาวรเป็นความสุขอย่างท้าวอนเพราะว่าถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปความทุกข์นี้เกิดจากความอยากต่างๆเท่านั้นเองไม่ใช่เกิดจากอะไรและความอยากก็เกิดจากความหลงความหลงที่ไปที่ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนิจจทุกขังอนัตตากลับไปเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสุขทั้ง เป็นนิจังสุขขังอัตตามันก็เลยทำให้เราต้องมาเจอกับความทุกข์เพราะความหลงมันหลอกให้เราเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เลยทำให้เราทุกข์พอเรามาเจอพระพุทธเจ้าที่เห็นความจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีมันไม่ให้เป็นตัวเราเป็นของเราพอเราเห็นอย่างนี้เราก็เกิดเราก็ตัดความอยากต่างๆไปไม่อยากได้อะไรอีกต่อไปเพราะเท่ากับถ้าอยากได้อะไรก็เท่ากับการอยากได้ความทุกข์มาเท่านั้นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่อยากได้อะไรจากจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ <Saf. S 1> ให้อยู่กับความว่างไปอยู่กับความไม่มีความอยากไปอยู่กับความสงบไป อันนี้แหละก็จะได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่าเราได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้ามาแก้ความหลงที่หลอกให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันต้องต้องแก้ความหลงด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้นก็คืออริยรรสัจสีแล้วก็ตายักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา เท่านั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาแก้ความหลงของสัตว์โลกได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้สัตว์โลกอย่างพวกเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะต้องน้องห่มน้องให้กันทุกภพทุกชาติเวลาที่เรามาเกิดกันแต่ถ้าเรามาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ออกเราก็จะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ หยุดการร้องห่มร้องไห้ได้หยุดการที่เราจะต้องมาทุกกับสิ่งต่างๆได้อันนี้ะต้องหยุดได้ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงส่วนความคิดความความคิดของพวกเราเป็นความหลงหลงผิดเป็นชอบเห็นตรงจกักเป็นดับบืว น, นี่คือเรื่องราวของความหลงที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยาท้าวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปติอิจิตังปจิตตังตุมหังคิดเมวะสมิจชะตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะ阿拉โสยธามณิโชติ阿拉โสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิษะนิจังวุธาปะจายโน จตาโรโหทมมาวัานติอายุวนันโอสุขังทาร า, าช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามอะไรก็ถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะตอบคําถาม ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแทนก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมด4ห ล, ลักรลบนมรการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมตะตั้นกุติทางเฟซบุ๊ก3 6 0ท่านทางยูทู e พระอาจารย์3 1 8ท่านทางด็อกเตอร์วีชาแนล4 7ท่านวิทยุออนไลน์10ท่าน แบบพา5ท่านหน้าคุติทั้งหมด1 7 1ท่านรวมทั้งหมดเป็น911ท่านเจ้าค่ะมีคำถามฝากถามเข้ามาเจ้าค่ะว่าเนื่องจากระเบียบของแต่และสถานที่มีความแตกต่างกันขอสอบถามพระอาจารย์ว่าสาลายอบ สัตว์ว่าเป็นปนานะหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีขายแพร่หลายผิดหรือไม่หากรับประทานหลังเที่ยงถ้าไม่รู้ก็อย่าไปกินดีกว่าไม่ตายหรอกเอาแค่น้ำเปล่าอมาดื่มที่สุดไหนๆจะเลิกแล้วก็เลิกมันให้มัหมดเลยจะกินอะไรก็กินข่อนเที่ยงหาอยากเที่ยงแล้วไม่ตายหรอกถ้าไม่ได้กินอะไรขอให้ได้เดือดน้ําเปล่าก็พอ คนปฏิบัติบางคนเขาไม่กินสองสามวันเขาก็ยังอยู่ได้เราไม่กินแค่เชยงวันหลังจากเชยงวันไปแล้วถึงพรุ่งนี้เช้ามันก็ไม่เท่าไหร่เฉะนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้ดีกว่าเดี๋ยวมันก็จะมาห่วงแต่เรื่องกินเหยดินเราต้องตัดปัญหาเรื่องกินไปกินอย่างกินแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วหลังจากนั้นก็ดื่มแต่น้ำเปล่าไป เจค่ะมีคำถามจากทาง Facebook ฝากถามเข้ามาว่าชีวิตที่ต้องเผชิญกับความทุกข์จากการเสื่อมลาบยดร่างกายพระภาศสามารถบรรเทาความทุกข์ด้วยการทำงานรักษาสินห้าสินแปดเจริญสติสมาธิปัญญา แต่ในขณะเดียวกันชีวิตค า, าราะที่ยังต้องทำงานหาเงินใช้หนี้เก่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ใช้หนี้ใหม่ให้กับลูกไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมมากก็ทำไปตามกำลังโดยหาเวลาปฏิบัติธรรมที่ห้องคนเดียวอาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อพยายามให้เข้าถึงความสงบแบบนี้ใหม่ครับก็ทำเท่าที่เราทาได้ เพราะแต่ละคนก็มีต้นทุนมาต่างกัน <c oughs> มีหนี้ติดตัวมาต่างกันบางคนมีหนี้มากต้นทุนน้อยก็มีเวลาให้กับการปฏิบัติน้อยบางคนมีหนี้น้อยมีต้นทุนมากก็มีเวลาให้กับการปฏิบัติมากอันนี้ก็ต้องทําไปตามกรรมของเราไปเราทํากรรมอันใดไว้เราก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไป เธ้าค่ะมีคำถามมาทางอินบ็อกซ์เจ้าค่ะจากคุณแพดดี้กราบเรียนถามค่ะพระอาจารย์ทำงานที่มีความกดดันรับผิดชอบสูงเจ้านายช้องจับผิดดุและผู้จารุนแรงจะวางใจอย่างไรให้มีความสุขขอบพระคุณค่ะก็มองทุกอย่างว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกเราควบคุมบังคับกนไม่ได้ ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เราก็ต้องคอยรับคำสั่งจากเขาไปผลมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปแดดจะออกก็ปล่อยมันออกไปถ้านายจะดา่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปเขาจะกดดันเราก็ปล่อยเขากดไปถ้าเราเราเฉยๆแล้วเขาเราก็จะไม่เทียทกับการกดดันกับการอะไรต่างๆของเขาไปเราต้องยอมรับภาวะความเป็นจริงของเราว่าเราอยู่ในสภาพแบบนี้ ก็ต้องหัดอยู่กับมันไปให้ได้แล้วเราก็จะไม่เครียดเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเท้าค่ะโอเคไม่มีคำถามเลยเงียบเลยทีเสียงจักระจันดังน่าดูอย่างเสียงจักรจันนี้เราก็ห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้มันจะร้องมันก็ร้องของมันไปแต่เราก็อยู่กับมันไปได้ มันน้องก็าปล่อยมันน้องไปเราก็ทําอะไรของเราไปเท่านั้นเองเราไปทํางานเราก็ต้องรู้กฎรูนระเบียบรู้ว่าใครเป็นคนสั่งเราก็ต้องรอรับคําสั่งจากเขาเขาก็เป็นคนจ่ายเงินให้เราใช่ไหมถ้าเราไม่รับคําสั่งเขาก็จะไม่จ่ายเงินให้เราดังน้นเราก็ต้องรู้ว่าเราต้อง <c oughs> เราต้องรับอะไรบ้างเวลาที่เราไปทํางานที่ไหนก็ตาม ถ้าเรารู้แล้วเรายอมรับได้เราก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ว่าเราเป็นคนไปจูจ้จี้จุกจิกเองต้องการให้คนสั่งดีกับเราลักเราชอบเราลูกหัวเราเล่นกับเรา อ, นนอย่างนี้เขาเป็นคนเอาจริงเอาจังเขาพูดตรงไปตรงมาเราก็า จ, จะรับเขาไม่ได้ความผิดไม่ได้อยู่ที่เขาความผิดอยู่ที่ตัวเราเองที่เราไปอยากในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็น อยากจะให้เขาให้เราในสิ่งที่เขาเขาไม่ได้ให้เราเราก็เลยทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราหัดทำใจให้เป็นกลางสันโดษยินดีตามมีตามเกิดใครเขาจะเป็นอย่างไรพูดอย่างไรว่าอย่างไรเราก็รับได้ทุกอย่างถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนกับใครพยายามหัดทำตัวให้เป็นสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิด แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหากับใครที่มีปัญหาเพราะเรามันจู้จี้จุกจิกเลือกเือมากต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นไปตามที่เราอยากปั๊บก็เกิดความเครียดขึ้นมาแล้วก็เกิดการต่อต้านกันขึ้นมาแล้วกเกิดการต่อสู้กันขึ้นมาใ น, นที่สุดก็เกิดการทะเลาะวิวากันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักตัวทางศาสนาท่านสอนว่าให้เรารู้จักตนรู้จักบุคคล ตนก็คือเราต้องรู้ฐานะของเราว่าเราตอนนี้เราอยู่ในฐานะไหนเราเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้านายถ้าเป็นลูกจ้างก็ต้องต้องก็ต้องคอยรับคำสั่งจากเจ้านายไม่ใช่จะเป็นลูกจ้างแล้วไปจะไปสั่งเจ้านายว่าฉันต้องการอย่างนั้นฉันต้องการอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ <st> แล้วคนที่เราอยู่ด้วยว่าเขาเป็นเจ้านายเราหรือเขาเป็นลูกจ้างเราถ้าเขาเป็นเจ้านายเราเราก็ต้องรอรับคาสั่งจากเขา ถ้าเขาเป็นลูกจ้างเราแล้วก็เป็นคนให้คำสั่งกับเขาได้ทางศาสนานี้สอนให้เรารู้จักตนรู้จักบุคคลเพื่อที่เราจะได้ดาเนินการดาเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องไม่มีปัญหาตามมาถ้าไม่รู้จักตนทำตัวไม่ถูกเป็นลูกน้องแล้วไปสั่งเจ้านายว่าฉันต้องการอย่างนงั้นฉันต้องการอย่างนี้เจ้านายก็มึงก็ไปอยู่ที่อยู่กนแล้วกันมีคำถามไหม เจ้าค่ะมีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะกราบรยินถามพระอาจารย์ครับถ้าปฏิบัติโดยรู้ลมหายใจเข้าออกและนึกถึงภาพพระพุทธรูปไปด้วยควรจับภาพพระให้อยู่ตรงจุดไหนดีที่สุดครับควรจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าถ้าจะเอาภาพก็เอาภาพอย่างเดียวถ้าจะเอาลมก็ลมอย่างเดียวถ้าเอาลมก็อยู่ที่ปลายจมูกถ้ า, าภาพก็นึกขึ้นมาในใจ หลับตาแล้วนึกถึงภาพนั้นให้มันปรากฏขึ้นมาในใจใจเราเป็นเหมือนจอทีวีจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็พยายามนึกให้ภาพที่เราต้องการนี้ให้ปรากฏอยู่ในใจเราจะทำสองอย่างไม่ได้เพราะมันเป็นการแข่งกันแบ่งแยกงานกันง่ายมันก็จะไม่ได้มันก็จะไม่ได้ผลเพราะนั่งสมาธิเราต้องการทําใจให้เป็นหนึ่ง ไม่ไม่ต้องการให้เป็นสองหรือมากกว่าหนึ่งในเวลานั่งจริงๆแล้วต้องดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวหรือนึกถึงภาพอย่างเดียวแล้วใจมันจะได้นิ่งใจจะได้สงบได้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะคนนั่งสมาธิส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจคำว่ า, าสมาธิกม็มักจะไม่เข้าใจคิดว่าถ้าให้มี ให้รู้อยู่กับพุโทธโธพุทโธนี้เรียกว่าเป็นสมาธิอันนี้ยังไม่เป็นสมาธิเขาเรียกว่าเป็นสติสติคือกา ร, รแล้วเลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วอยู่กับพุโทธโทธพุทโธพุทโธนี้เรียกว่าสติยังไม่ใช่สมาธิถ้าสมาธินี่จิตต้องนิ่งสงบหยุดคิดหยุดอะไร พ, ททพุทโธพุทโธอะไรหายไปหมดเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความเย็นความสบายความมหัศจรรย์ใจอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิ แต่ทุกคนทุกคนสมัยนี้ไปเข้าใจว่าติเป็นเป็นสติเอาเข้าใจว่าสติเป็นสมาธิให้เราอยู่กับพุทโธธรรมูสังโฆไปเนี่ยเป็นสมาธิยังไม่เป็นยังไม่เป็นถ้าเป็นสมาธิแล้วพุทโธธรรมูสังโฆหายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เป็นเอกขัตตอารมณ์จิตเป็นอารมณ์เดียวรู้เฉยเฉยอันนี้แหละถึงเรียกว่าเป็นสมาธิ เช้าค่ะมีคาถามจากทาง f a c e b o o k เชา้าค่ะกราบนมัสการครับพระอาจารย์ขออนุญาตสอบถามครับบุคคลที่ไม่ยินดีในราบยศสรรเสริญแล้วแต่ต้องกระตันยูพ่อแม่โดยการสารต่องานที่พ่อแม่คาดหวังไว้ควรดำเนินชีวิตอย่างไรดีครับก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพ่อของพระพุทธเจ้าก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อไปเป็นกษัตริย์ จะได้เป็นมหาจาั ก, กรพรรดิแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ลาบยศสรรเสริญสุขมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าต้องการพ้นทุกข์ก็เลยไปบวชไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบ mm hmm. แตเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะต้องการเอาอะไรเอาทุกข์หรือเอาสุขถ้าเราทุกข์เราก็ต้องทิ้งทุกอย่างไปแล้วก็ไปบวช mm hmm. ถ้าอยากจะเอาสุขถ้าอยากจะเอาทุกข์ก็อยู่ต่อไปอรับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากพ่อแม่ไป ดูแลต่อไปเช้าค่ะจากเฟซบุ๊กเช้าค่ะการพิจารณาไตรลักษณ์อริยสัจสี่ผมขนเล็บฟันหนังอสุภะขันห้าคือไม่ให้เรายึดติดจมอยู่กับโลกที่ไม่เที่ยงเมื่อผ่านไปได้แล้วใจที่ดีที่ดีดดิ้นจะโผล่ขึ้นมาก็เฝ้าดูมันเฉยเฉใช่ไหมครับหลวงพ่อแล้วแต่มันดีดดิ้นพ่ อ, อะไร ดินก็ต้องใช้ปัญญาหยุดมันถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่หยุดดินดูเฉยเมันก็ไม่หยุดต้องใช้ปัญญามันถึงจะหยุดอย่างถาวรถ้าใช้การดูคือสติมันก็อาจจะหยุดชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่เจ้าค่ะจากคุณชัยยุทเจ้าค่ะคนนับถือคริสต์หรือศาสนาอื่นๆจะนิพนธ์ได้ยังไงครับเมื่อหลักคําสอนไม่ได้สอนเหมือนของพทุทธครับ ก็เราซื้อรถยนต์เราเลือกก็ปบบจะเอาเบนดีหรือจะเอาอะไรโตโยต้าด<ม>ีคนซื้อก็ต้องเลือกเอ า, าจะเอาแบบไหนจะต้องจ่ายราคาไหนาศาสนาก็เป็นเหมือนรถยนต์เนี่ยที่จะพาเราไปสู่จุดหมายต่างๆบางาศาสนาก็พาไปสู่สวรรค์บางาศาสนาก็พาไปสู่นิพพานเราต้องการไปไหนล่ะถ้าเราต้องการไปนิพพานก็ต้องไปกับาศาสนาที่เขาสอนให้ไปนิพพาน ถ้าเราต้องการไปสวรรค์เราก็ไปกับศาสนาที่เขาสอนให้ไปสวรรค์ก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะไปที่ไหนก็เลือกเอาเองอันนี้ตัดสินใจให้ไม่ได้ของใครของมันมีคำถามจากคุณสัิธรเจ้ค่ะการปฏิบัติทำยิ่งปฏิบัติยิ่งเร่งให้กรรมทำงานเร็วขึ้นอันนี้จริงไหมคะน้องกระดาจานเจ้าค่ะไหนพูดมาอีกทีดังๆเลย คสสุณสศีธรเจ้าค่าถามเข้ามาว่าการปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติยิ่งเร่งให้กรรมทำงานเร็วขึ้นอันนี้จริงไหมเจ้าคะ่ะ ย, ย, ยิ่งอะไรได้ไม่เข้าใจเจ้าคะ่ะการปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติ ยิ่งเร่งให้กรรมทำงานเร็วขึ้นอันนี้จริงไหมคะน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะกรรมทำงานจะค่ะหมายถึงว่าคนอาจจะชอบพูดกันว่ายิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งทำให้กรรมไม่ดีส่งผลเร็วขึ้นมไม่เกี่ยวกันการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เราเข้าถึงพระนิพพานเร็วขึ้นนั่นเองไม่เกี่ยวกับกรรมส่งผลช้าผลเร็วคนละเรื่องกัน ยังไม่มีคาถามเข้ามาจาะค่โอเคมีใครอยากจะถามไหมถามก็ถามได้นะมาแอนดรูว์ยูอยากจะถามอะไรหรือเปล่า<ม>เข้ามาไม่มีเหรออ๋อนี่ไม่มีอโอเคถ้าไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อน